ตัวแม่แครเปลืองได้มากพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เจาะตัวแม่แครแล้วถักเป็นตาหมากรุกท่อนผ้าผืนเล็กๆ เ, เกิดขึ้นแก่สง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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สางนุ่นแล้วทำเป็นหมอนปุยนุ่นมีสามชนิดคือนุ่นจากต้นไม้นุ่นจากเถาวัล น, นุ่นจากหญ้า